จากนี้ไปถึงกลางเดือนสี่รดูหนาวแล้วเรือหนึ่งค่ำเดือนสี่เข้าฤดูร้อนตามหลักที่ท่านจัดเอาไว้แต่มันก็ร้อนไปตั้งแต่นี้แหละเรือหนึ่งค่เดือนสี่ไปเป็นฤดูร้อนไปถึงกลางเดือนแปดนะสิ้นรถดูร้อนเข้ารถดูฝนว่าสันแต่ฤดู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 ล่วงไปแล้วเนี่เรียกคืนไม่ได้ล่วงไปแล้วเรเรียกคืนไม่ได้ขนะก่อนกับขนะนี้ขนะคิดก่อนกับขนะคิดนี้เดี๋ยวนี้ล่วงไปแล้วเรียกกลับคืนไม่ได้คาว่าขนะในทนี้ก็หมายถึงเวลาเวลาก่อนล่วงไปแล้วเรียกกลับคืนไม่ได้เหมือนสายน้ำน้ำกระแสน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วก็คือผ่านไปเลยกลับคืนมาอีกไม่ได้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 ก้อนยางก้อนผ้าของพ่อก้อนผ้าของแม่ผสมกันเป็นก้อนนรกเล่นต้องซองด้วยกล้องจุลทรรศันจะเห็นที่ผสมกันที่แรดแรเท่ากับหยดน้ําติดอยู่ที่ปลายขนจอมารีที่ถูกสลับไปแล้วเจ็ดครั้งมองเห็นไหมสลับไปแล้วเจ็ดครั้งหยดน้ําที่ถูกสลับไปแล้วเจ็ดครั้งเลสเป็นมองเห็นหลังจาก เกาะอุมกันได้ตัดได้ส่วนแล้วก็เจริ่มวัฒนาทวันมาเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรื่อยโตขึ้นเรือยๆจนมองเห็นเท่าเม็ดไม้ขีดโตกว่านั้นโตมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยจนเป็นจากน้ํามาเป็นน้ำข้นๆจากน้ำข้นๆมาเป็นก้อนเลือดมาเป็นก้อนเนื้อโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยมาเรื่อยขยายเป็นปันจักษขาขาสองแขนสองหัวหนึ่งลำตัว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 แล้วก็มีไส้มีน้ำมันแล้วก็มีไส้ซึ่งเป็นตัวเทียนที่เราเรียกว่าเทียนเสร็แล้วมีธาตไฟมีธาตไฟเป็นกินเชื้อไฟในขณะเดียวกันมันกินมันกินหมดไปไฟธาตไฟเผ่าไส้เทียนทําให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาในเปลวไฟนั้นในไฟนั้นมีความมีเปลวมีความร้อนมีความสว่างอย่างก็คือในรอจุดเนี่ยมีความร้อนมีความสว่าง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 ไปไดัดไปแปลไปบังคับบัญชาไม่ได้อนาตตาอนาตตาไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีคําว่าสุญญาตาสุญญาตาหรืออนาตตาเป็นอันเดียวกันความหมายอัเดียวกันไม่ใช่แปลว่าไม่มเีเราต้องทาเราต้องทําความเข้าใจอนาตตาให้ถูกให้ถูกต้องนีภาษาจับที่เรียวกว่าที่สเสดยกไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คือลักษณะ ส, าาสาาอย่นิจจังทุกขังอนาตตาอนาตตาคือเป็นภาวะที่เรา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 เราได้รับได้รับความทุกเนื right ่องจาว่าม right ันไม่สมหวังไม่สมหวังจากการที่เราพยายามบังคับบัญชาสังขารของเราเราพยายามบังคับบัญชาบังคับบัญชาพยายามกับเอาตามใจชอบพยายามเก้เอาตามใจชอบพยายามนึกเอาตามใจชอบแต่มันก็ไม่เป็นไปตามที่เรานึกมันไม่เสร็จเป็นไปตามที่เราบังคับบัญชามันเป็นไปตามสภาวะของมัน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 มีวัตถุหลายๆอย่างมาประชุมกันแต่เขาทำหน้าที่ไปตามธาตุของเขาธาตุไฟก็มีหน้าที่ไหม้ไหม่อะไรไหม่ธาตุน้ํากับไม่ธาตุดินมันมันมีธาตุอื่นไห่้หละธาตุไฟเลยดินน้ำลบไฟมันก็ร่างสานกันเธาตุไฟไม่ธาตุน้ําแล้วก็ไหม่ธาตุดินไหม้คือสองขายไม่มีวิ ญ, ญญาณครองไม่มีความรู้ในตัวของมันเองไม่มีแผนดินต้นไม้ภูเขา เสาประติศาลาแผ่นกระดานอะไรที่เราวัตถุที่เรามาใช้มาสอนไะไไม่มีวิญญาณครองสังขารที่มีวิญญาณครองสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารทั้งสองประเภทนี่แหละตกอยู่ในภาวะของอนิจจทุกขงังและก็อนัตตาทีเป็นเป็นสภาวะที่เด่นมากบรรดาครูทั้งหลายเขาสอนกันในสมัยพุทธกาลมีเจ้าลทัทธิสัสดาศัสดาหนหลืวงกัพนนะ่ะสอน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 ไม่ใช่อายตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ใครทั้งนั้นสั้งขานโดยที่แท่สั้งขานที่เรามาครองเนี่ยคือรูปร่างกลางตัวของเราเขาเป็นวัตถุแต่วัตถุนี้ถูกเกาะกลุมอยู่ได้ด้วยอานาจดินน้ำลมไฟถูกเกาะกลุมกันได้อยู่ด้วยอำนาจของกรรมกรรมนี้มาจากมาจากกรรมที่ติดมาในกกจิตในห้วนธรรมคือมีมีวิ ญ, ญญาณมาครองมากับจิต ที่เรียกเราเรียกว่าวิญญาณกับนี้มาแบบจิตเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามาได้อัตภาพเป็นมนุษย์มีการเจริญวัฒนาราวรขึ้นมาแต่ก็ต้องอาศัยวัตถุที่เป็นธาตุาตดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นแหละมาเป็นรูปมาเป็นรูปกระถาเพราะฉะนั้นในร่างกายของเราจึงมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกมเกาะเกากลุ่มกันอยู่เกิดเป็นมนุษย์ก็ได้อัตภาพ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 เวลาความเกีจ็บมาเยืนนก็ทุกข์แหละในใจก็ทุกข์แหละไม่ได้คิดว่าสิ่งนั้นจะต้องเป็นไปตามอำนาจของมันแล้วเวลาจะตายใกล้จะตายยิ่นแต่แววจะตายแล้วก็ทุกขอยู่นะทุกข์ย่นจนตายคนจะตายก็ทุกข์คนไม่ตายคนเกี่ยวข้องไปดูเลยรักษาก็ทุกข์นี่คือเราพยายามเกณฑ์ให้มันไปตามใจหวัสร็จแล้วมันก็ไม่สมหวังมันย่อมเป็นไปตามภาวะของมัน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 แล้ว่อนคลายมายึดมั่นกิบความทันทันจึงมีอยู่บายให้เราพิจารณาอัตภาพร่างกายหลายๆอย่างพิจารณาเป็นอนิจจ์หลายๆท่านเห็นอนิจจ์เพื่อเราไม่มออความไม่เบาใจให้สมันไม่อายใจกับมันให้เห็นเป็นทุกขังไม่ให้เราตายใจกับมันไม่ให้สยบกับมันให้ทั้งความรู้ให้ทําความเข้าใจรู้เข้าทางของสังขารแต่ว่ายึดมั่นหรือมั่นไม่ได้ชัย่าง ให้เรารู้ให้เราเข้าใจเอาไว้เพื่อเราจะไม่ได้ผิดวันนี่แหละ ok อัตภาพร่างกายของคนของสัตว์มีอยู่เป็นอยู่อยู่มีอยู่เป็นอยู่อย่างนี้ทุกครั้งสภาวะของพุกสภาวะของสมุทัยสมุทัยก็คือ hey, หเหตุให้เกิดกองพุกนั่นแหละเหตุให้เกิดรูปธรรมเหตุให้เกิดนามธรรมเหตุให้เกิดรูปธรรมก็มาจากสมุทัยสมุทัยก็คือเหตุให้เกิดให้เกิดกองพุกให้ให้เกิดกองพุกในที่นี้ ก็เลยแก่กิเลสตาหาอาชวะที่มีอยู่ภายในจิตของคนของสัตว์แม้เมื่อยังมีกิเลสอยู่มันก็ต้องไปแสวงหาที่เกิดถ้าทํากรรมอยากชาทารุณมากๆออกไปเกิดใจสัตว์ไร้สารเป็นเปรตเป็นส่วนรงกายไปแต่ถ้ามีคุณสมบัติพอที่จะเป็นมนุษย์ได้ก็กลับได้อัตภาพเป็นมนุษย์ตามบุญตามกรรมกิเลสต่างๆนั้นพักดันให้ได้ให้เราได้รูปสมบัติตามบุญตามกรร ม, มทั้งหมดพิษสงของกิเลสก็คือ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 เกิดบารมีบารชาติก็ใกล้นักปราชญ์ผู้รู้ก็อสอนให้เรารู้เรื่องหลักความจริงอยู่บ้างเกิดพันศาสนาพุทธพระพุทธเจ้า อ, องค์ใดองค์หนึ่งก็ทําให้เรารู้จักศัพท์ธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างบางกลับไม่ไม่ได้เกิดอยู่ทํามการาพระพุทธศาสนาสอนให้เรารู้สอนให้รู้จักว่าร่างกายเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นอย่างนั้นกินเลสเป็นอย่างนั้นธรรมเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้ยินไม่ได้ฟังถึงแม้ว่าเราได้อัตภาพเป็นมนุษย์ก็มีคุณธรรม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 ท่านพูดเปรียบเทียบเอาไว้มากมายกว่ากว่าไมาเ่เล็ดจ่ายในแม่น้าําคงคาพระพุทธเจ้านะมากมายถึงขนาดนั้นนะเสร็จแล้วพวกเราไปอยู่กันที่ไหนคงจะได้ยินได้ฟังกันอยู่บ้างนะเป็นกระรอกกระแตเป็นเต่าเป็นปลาเป็นปูเป็นอะไรไปนั่นคนที่ท่านได้อัตภาพดีดีท่านก็ได้ฟังอัดฟังธรรมก็บรรลุมรรคผลขันธนะ์ภัยมุนครับ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 แล้วก็ทําให้เรารู้จักข้อปฏิบัติที่พระองค์ทรงวางไว้ที่เรียกวาาก่ามรรคอริยมรรคโยมไปให้เรามีจิมีพิจิตกระจายอยากหน้ายอยากมีอยากมีอยากเป็นอยากหุดอยากพ้นเหมือนท่านแล้วก็ผู้ปกตั้งใจปฏิบัติจนเป็นอย่างไรกิเลสทั้งหลายต้งห่วงดับลงไปเป็นนิโรธ เ, เป็นชั้นเป็นภูมิไปเราก็ไม่เสียทีเสียทีเดียวเมื่อเราอยู่ท่ามกลางตรงนี้แล้ว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 ดีกว่าพพภูมิที่จะมาเกิดในมนุษย์ก็ไปเป็นเทวดาวเทวดาวหลายชั้นโดยเฉพาะสวรรค์หกชั้นเนี่ยท่านจ่าตุ่มดาวดึงยามาดุสิมนิมานารดีปรินิมิต ว, สวัสดีสวรรค์หชั้นจากนั้นไปแล้วก็พร้ออีกที่ท่านตรัสไว้ในในในธรรมจักรกับพวัฒนาสูตรพระเจ้าท่านทรงตรัสไว้ในสูตรการให้ในเทศกทันให้เนี่ย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 เนื่องจากท่านรู้นี่จะไม่เสื่อมไปจากโลกทั้งส่วนรูปประธรรมทั้งส่วนนามธรรมท่านรูปปัตห์ไม่เสื่อมไปจากโลกนามาธาตก็ไม่เสื่อมไปจากโลกคงคงอยู่ในคงอยู่ในโลกนี่แหละนามาธาตที่บริสุทธิ์แล้วก็ยังอยู่ในโลกนี่แหละแต่อยู่อีกมุมหนึ่งซึ่งเรามองไม้เห็นเรายังเกี่ยวข้องกับสมมุติอยู่จงเงวานนั้นท่านพ้นไปแล้วท่านเป็นวิมุต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 เมือนุทธเจ้านั้นอย่างท่านได้แต่จะรู้เป็นพระสมณะธรมพุทธะแล้วท่านก็เอาท่าแขนนี้แหละเที่ยวเทศนาบอกสอนตั้งถป่นศา ส, สนาขึ้นมาให้มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกเป็นเวลาถึงสี่ทิบ้าพระพัรษาเป็นเวลาถสี่ทิบหาพระพัรษาพระสงฆ์สาวกทั้งภิกษุทั้งภิกษุณีท่านได้บรรลุธรรมแล้วท่านจะเอาท่าแขนของท่านนี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 กิเลสก็ดับหมดธาตุขันธ์ก็ดับหมดเหลือแต่นามธาตุที่บริสุทธิ์พระสารีบุตรก็ปณิธานก่อนพระพุทธเจ้าปณิธานทีหลังสมัยพระพุทธเจ้าท่านเข้าสู่ปณิพานเนี่ยไม่มีพระอัครสาวกต้องซ้ายต้งขวาไมเนี่ยหลังจากท่านได้บรรู้ธรรมได้บรรลุธรรมนล้วท่านเราธาตุขันธ์ของท่านแหละเพื่อประกาศศาสนาบอกสอนเวบนยยศัตว์ทั่วท่วไป บางคนก็ตั้งอยู่ในไตรสรณคมระลึกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกบางคนก็ได้เป็นพระโสดาบันบางคนก็เป็นพระสุาขาีตาคาพระอนาค า, าบางองค์ก็ได้บางคนก็ได้เป็นพระอาจารบางองค์บางคนก็ตั้งอยู่ในไตรสรนคมบางคนสามารได้รับประโยชน์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 ปรชันไปจำที่บ้านมาโสดกะ ก, ก็ได้เหา่านำทางที่ท่านเดินเข้าเดินออกจากบ้านนะเวลาท่านเดินออกมาก็เหา่านำทางไปไล่ดาสวรรค์ทิษอะไรต่างๆที่มันอยู่รอบข้างเวลาท่านเดินเข้าบ้านมาไปเดินเห่าหอนนำทางเน่ยถือว่าก็ได้ทำประโยชน์ปตายปุ๊บเขาได้ไปเป็นเนทพบุตร เป็นโคศกะเทพบุตรเนี่ยโอกาสที่ศาสตร์เขาได้ทําุณาความดีเกี่ยวข้องกับผู้ที่มีกิจบริอสุทธิ์มีผลเหมืนส่งุนกันเหมือนี้มีความเป็นไปความเป็นมาของธาตุขันของเราก็มีแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้สิ่งที่ที่จะทําให้เราหีพัฒนาทาวรไปในวัตฏสงสารถ้าหากเราไม่รื้อไม่ตัดไม่ถอนเนี่ยคือกิเลสตัณหาอาสวะเนี่ย จบท้しし่ส hm ิ้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าวัตถวนวัตถุวันกิเลสเป็นเหตุให้เราทากรรมกรรมที่เราทํำลงไปนี่แล้วนั้น่ะกลายเป็นวิบากวัตถวันท่านจึงใช้คําว่ากิเลสกรรมวิบากกิเลกรรมวิบากเอากิเลสขึ้นก่อนกิเลสกรรมวิบากแต่ถ้าไม่มีกิเลส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 นี่เป็นภาชนะของกรรมทำลงไปแล้วไอสิ่งเหล่านี้มักกัดไว้กลายเป็นวิบากกรรมเพราะฉะนั้นที่ท่านทำท่านทำสัพพะกริริยาความเป็นพระอรหันต์ก็ไม่ใช่รูปร่างกลางตัวที่เรามองความเป็นพระอรหันต์ของท่านไม่ใช่ขันติห้าที่เรามองเห็นเป็นรูป เป็นจิตที่ท่านชำระได้เป็นธาตรู้เป็นผู้รู้ที่ท่านชำระสะอาดหมดจดบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งเคลือบไม่มีสิ่งแฝงให้เกิดราคะโทสะโมหะเหมือนอย่างพวกเราซึ่งเป็นผู้ดุจชนท่านชำระที่มานี้หมดไปแล้วท่านถอนตันหาวปาฏฐานจากขันธ์ทั้งห้าหมดหมดจบโดยชี้เฉยหมดไปแล้วชิ่นไปแล้ว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 เนื่องจากว่าเมื่อมีสิ่งรวมสิ่งที่ไปรวมกันแล้วก็จะต้องมีกัรแต่เรียกกันแต่ถ้าชำระจนบริสุทธิ์ไม่มีสิ่งไปรวมไม่มีสิ่งไปเคลือบไปไหก็จะเป็นสิ่งที่คงที่ที่เขาเรียวกว่ายิดจังเที่ยงสุขขันบรมสุขและก็ดำรงตนอยู่อย่างนั้น ตลอดอนันตการไม่มีขีดไม่มีขั kind, ้นไม่มีการไม่มีเวลาไปจำกัดไปเกี่ยวไปค้องไม่มีว่าจะต้องไปเกิดเท่านั้นเท่านั้นปีท่นี้ปีไม่มีไม่มีการเวลาเข้าไปเกี่ยวค้องไม่มีสถานที่เข้าไปเกี่ยวค้องไม่มีวัยเข้าไปจำกัดไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวค้อง มันก็ต้องดำรงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตากาลนั่นเทียท่ยงเถี่ยงแท้แน่นอนไม่มีไม่มีมมอนิจจัเ ง, งเข้าไปเกี่ยวข้องไม่มีทุกขังเข้าไปเกี่ยวข้องอนัตตาก็ไม่มีเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ท่านไม่เรียกอัตาเป็นธรรมแท้เดียวก็จริงอยู่ท่านไม่เรียกอัตาท่านเรียกว่าอนัตตานัตตานัตตานี้ไม่ใช่ภาวะของพุทธิพาน บางคนพยายามจะไปเรียกพระนิพพานให้เป็นอนัตตานัืพยายามจะเรียกพระนิพพานให้เป็นอัตตาก็คิดไปคาดไปเดาไปหมายไปทําให้คนที่ได้การศึกษาเนี่ยต้องสับสนไป ต, ตามนั้นเนื่องจากไม่เข้าใจถ่องแท้คิดไปคาดไปเดาไปนิพพานพ้จากอัตตาหรืออนัตตาแต่คําว่าเที่ยงทานใช้อยู่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 นั่นคือภาวะที่สูงเป็นภาวะที่ละเอียดเป็นภาวะที่ปรนณี้เป็นเป้าหมายที่พวกเราที่เป็นนักศึกษารมนักปฏิบัติทมพยายามริ้นรนแสวงหาและพยายามก้าวเข้าไปถึงซึ่งเป็นอุดมคติของพวกเราทุกทุกคนอาประจุคนเนา